ธรรมคุณประการที่สี่เอหิปัสิโกคำว่าเอหิปัสิโกแปลว่าเชิญให้มาดูพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกใครต่อใครให้มาดูหรือว่าให้มาพิสูจน์ได้ทางนี้ก็เพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงที่สุดไม่ต้องกลัวว่าถ้าใครเข้ามาเห็นเข้าแล้วเขาจะหาว่าเราหลอกลวงหรือพูดไม่จริง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 เคยคิดเล่นๆนะครับว่าทําไมเวลาไปสร้างกิเลสไปเพิ่มพูนกิเลสเนี่ยสถานที่ช่างสับปายะสะดวกสบายเหมาะกับการเสริมสร้างกิเลสเสียจริงแต่พอจะปฏิบททัติรมกลับหาสถานที่สับปายะที่เหมาะกับจริตได้ยากเหลือเกินต้องเข้าใจนะครับว่าคนเมืองและคนรุ่นใหม่หรือคนที่กําลังสนใจทำใหม่ๆนั้น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 ก็จะคล้ายคล้ายกับคนที่กำมือเปล่าแม้จะแบมือให้เขาดูแต่แล้วเขาก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรนี่คือข้อที่น่าคิดอย่างยิ่ง